วันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นการเสริมสติปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะนำพาให้เราอยู่ห่างไกลจากความทุกข์เพราะว่า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 จาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายไปความอยากของพระองค์ก็อยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาการที่พระองค์ทรงสเสด็จออกจากพระราชวังก็ทรงหาวิธีที่จะทำให้ไม่แก่ ไม่เจ็บไม่ตายหรือมีวิธีที่ทำให้พระองค์ไม่ต้องทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายหลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญจิตตภาวนาจนพระทัยสงบลงก็ทรงเห็นว่าความทุกข์ต่างๆนั้นหมดหายหมดไป แต่เวลาที่ทรงสเสด็จออกจากความสงบพอเริ่มเห็นสิ่งเห็นร่างกายของพระ อ, องค์ก็ทรงเกิดความทุกข์ทายขึ้นมาเพราะเห็นร่างกายทีไรก็ทรงเห็นว่าร่างกายนี้จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปแต่หลังจากที่ได้ทรงวินิจฉัย ด้วยสติด้วยปัญญาก็ส่องพบว่าเวลาที่พระองค์ไม่มีความทุกข์ใจนั้นเป็นเวลาที่พระองค์ไม่มีความอยากเช่นเวลาอยู่ในความสงบจิตหยุดคิดปรุงแต่งความอยากต่างๆที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งนั้นก็หายไปความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากก็หายไป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 พอร่างกายที่ก่อร่างสร้างตัวมาได้รับอาหารอย่างต่อเนื่องได้รับธาตุสี่อย่างต่อเนื่องร่างกายก็เริ่มมีอวัยวะต่างๆปรากฏขึ้นปรากฏมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีอวัยวะสาสสองประการ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 ตามลาดับตามกำลังของร่างกายที่จะรับได้ในเบื้องต้นก็รับอาหารเหลวแล้วพอจะเริ่มเติบโตขึ้นไปมากขึ้นก็เริ่มรับประทานอาหารยาบคืออาหารที่มีกากแล้วก็เลยมีการขับถ่ายเศษอาหารปริกูลออกมาจากทางร่างกาย มีการขับทายน้ำออกมาน้ำที่เข้าไปก็มีออกมานี่คือระบบการไหลเวียนของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในระยะแรกแกของการมีชีวิตอยู่การเข้าของธาตุสี่นี้จะมีมากกว่าการออกของธาตุสี่ร่างกายจึงเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆมีรูปร่าง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 คือลมไม่ไหลเข้าไม่ไหลออกไม่ไหลเข้ามีแต่ไหลออกธาตุสี่ก็จะมีแต่ไหลออกอถ้าน้ําก็จะไหลออกธาตุลมก็จะไหลออกธาตุไฟก็จะไหลออกเหลือไว้แต่ธาตุดินที่เป็นร่างกายที่แห้งกรอบหลังจากที่ได้เน่าเปื่อย จนแห้งกรอบด้านในที่สุดก็ผุพังไปกลายเป็นดินไปถ้าเอาไปเผาไฟก็จะกลายเป็นขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูกที่ไฟไม่ได้ไหม้เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเกี่ยวกับร่างกายจึงทรงเห็นว่า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 ถ้าใจปล่อยวางให้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องของเขาใจก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเท่าหลายในโลกนี้นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตรัสรุด้วยการมินิจฉยัยด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลจึงทำให้พระองค์ สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะทรงเห็นว่าความทุกข์ของพระองค์นี้เกิดจากความอยากของพระองค์เองพระองค์จึงไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะพระองค์ทรงหยุดความอยากได้เพราะทรงเห็นว่าความอยากนี้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 ก็จะต้องปวดศรีรษะอย่างแน่นอนอฉันใดสิ่งที่พระเจ้าทรงทรงตัดสรุเห็นก็อย่างนั้นแต่เป็นค้อนทางจิตใจความอยากนี้เป็นเหมือนค้อนที่ทุบจิตใจให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเมื่อทรงรู้ก็ทรงหยุดทุกจิตใจด้วยความอยากต่าง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 หลับได้ก็เฉพาะเป็นเวลาที่เข้าไปในสมาธิเท่านั้นเวลาเข้าไปในสมาธิใจก็หยุดทุกศีรระของตนาปีะของตนตอนนั้นใจสงบใจก็ไม่ได้มีความอยากต่างๆไม่มีกามตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภวะตัณหาอพอไม่มีก็เลยไม่มีความทุกข์ใจ มีความสุขใจแต่ไม่มีใครรู้ว่าหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วทำอย่างไรไม่ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น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 อยู่ที่การรับประทานอาหารก็เลยทรงคิดว่าคิดว่าการรับประทานอาหารนี้ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็เลยทรงหยุดรับประทานอาหารแต่ทรงหยุดรับประทานจนกระทั่งร่างกายจะตายไปก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่เหมือนเดิม คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็เกิดความทุกข์ใจเหมือนเดิมจึงทรงเห็นว่าการหยุดรับประทานอาหารไม่ได้เป็นทางที่จะดับความทุกข์ใจได้การทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆที่ลุสีฉีพไพรต่างๆได้ปฏิบัติกันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ใจได้ พระองค์เลยยุติการหยุดอาหารอดอดพระกยอาหารแล้วส่งกลับมาเสวยพระกายอาหารเพื่อจะได้มาแก้ปัญหาที่ทรงคิดว่าอยู่ในข้อไถยของพระองค์เองอยู่ตอนที่อยู่ในระหว่างที่อยู่ตรงที่สงบและไม่สงบเวลาสงบมันไม่ทุกแต่เวลามันไม่สงบมันทุก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 ต้องเห็นว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เราจะไปควบคุมบังคับให้เขาอยู่ไปตลอดให้ให้ดีไปตลอดให้เจริญไปตลอดไม่ให้มีการเสื่อมไม่มีไม่ให้มีการดับไปเป็นสิ่งที่เราทำกันไม่ได้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 ถ้าไม่ให้มีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่อยู่เหนืออำนาจของเรานั่นเองแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อยู่เหนือความสามารถของเราที่จะไปควบคุม บ, คบังคับไปสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราอยากจะ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 ร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันดับไปเราก็ไม่ได้ดับไปกับมันเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่นหะคือเรื่องของการตัดสืบของพระพุทธเจ้าทรงตัดสืบเห็นว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากและการที่จะหยุดความอยากเพื่อดับความทุกข์ได้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 เขามีเกิดมีดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นการดับความทุกข์ในระดับหนึ่งก็ยังมีความทุกข์ที่เหลืออยู่คือความทุกข์ที่เกิดจากการมีความมีการอารมณ์เวลาที่เห็นร่างกายที่สวยงามก็จะมีการอารมณ์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 เป็นการดับเพียงชั่วล่าวเหมือนกับการเข้าไปในสมาธิพอได้เสกกรมการบลมก็จะระ ง, งับดับไปการบำลมก็คือความอยากเสกการมนี่เองความอยากพอได้รับการตอบสนองก็จะสงบตัวลงไปก็เหมือนกับได้เข้าไปในสมาธิความเวลาใจสงบก็ไม่มี ความอยากที่จะเสพการเหมือนกันแต่หลังจากนั้นไม่นานความอยากจะเสพการก็จะปรากฏขึ้นมาอีกเพราะการดับการอารมณ์ด้วยการเสพการไม่ได้เป็นการดับความอยากที่จะเสพการอย่างถาวรเหมือนเองเป็นการอยากที่เป็นการดับเพียงชั่วคราว ถ้าอยากจะดับความอยากจะเสพการยอย่างถาวรก็ต้องมองร่างกายในทางตรงข้ามถ้าลองร่างกายว่าสวยงามแล้วทำให้เกิดความอยากเกิดความรักเกิดความคาม่ายขึ้นมาก็ต้องมองไปในด้านที่จะทำให้ไม่เกิดความอยากเกิดความรักเกิดความค่ายก็ต้องมองในส่วนที่ไม่สวยงาม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 เน่าขึ้นมาถ้าอยากจะหนับการมลลมก็ต้องมองในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ามองนั่นเองดังนั้นจึงมีการจเจริญอสุภกรรมาฐานมีการพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายโดยเฉพาะในหมู่ของนักบวชทั้งหลายท่นนักบวชในศาสนาพุทธ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 ก็จะไม่สามารถรักษาสถานภาพของนักบวชได้เพราะนักบวชนี่อยู่ภายใต้กฎของศีลธรรมที่ไม่ให้ไปเสพการกับผู้อื่นเพราะการเสพการนี้ไม่ได้เป็นวิถีทางที่จะนำไปสู่การดับของความทุกข์ทั้งหลายแต่เป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมา ดังนั้นผู้ที่บวชจึงไม่เสกกามกันจึงต้องใช้วิธีการดับการมามด้วยการพิจารณาอาสุภะคือความไม่สวยไม่งามของร่างกายพิจารณาผมที่จะต้องหอกพิจารณาหนังที่ต้องเหี่ยวต้องย่นหรือต้องเน่าต้องเปื่อยต้องต้องเน่าต้องพองขึ้นอื่น ขึาพิจารณาอย่างนี้ไปแล้วก็จะสามารถควบคุมการมาลลมได้ดับการมาลลมได้ผู้ที่ดับการมาลลมได้ก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่ตามลำพังได้ไม่จะไม่รู้สึกเหงาเศร้าส้อยว่าเหว่เหมือนกับผู้ที่ยังเศษกรรมอยู่ เวลาได้อยู่กับคนที่รักที่ชอบจะมีความสุขมีความเพลิดเพลินแต่เวลาที่ต้องอยู่คนเดียวอยู่ตามลำพังก็จะมีความเศร้าส้อยงอยเหงาว้าเวมีความทุกข์ใจนี่คือการดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการมีการอารมณ์การอยากจะเสพการ ถ้าไม่มีการมานลมแล้วก็อยู่ตามลำพังได้อย่างสบายไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้กับการพัดผาาจากกันของคููรักของตนคููรักจะไปพูดเขาไปคุยกับใครจะให้ความสำคัญกับใครก็จะไม่เป็นปัญหา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 พอสุขนี้ยังไม่ใช่เป็นสุขแท้เป็นสุขที่ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาพอสามารถผ่านความสุขปล่อยวางความสุขภายในใจนี้ได้แล้วความทุกข์ทั้งหลายภายในใจก็จะหมดไปเหลือแต่ความสุขที่ถาวรที่เป็นปามังสุขขงัง อันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติที่จะนำพาไปสู่การดับทุกต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายปล่อยวางความสุขทางกายและทางใจไปทั้งหมดถึงจะได้เข้าถึงความสุขที่บริสุทธิ์ความสุขที่เรียกว่าปรามังสุขขัง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 ไม่มีความอยากกับการเจริญกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆอันนี้แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติไม่ว่าเราจะทำบุญให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิเดินจงกรมก็เพื่อให้เราเข้าถึงความรู้อันนี้ให้เราเข้าถึงพออระอริยสัจสี่ให้เราเห็นว่า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 ไปเวียนว่ายตายเกิดไปรับผลที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีต่อไปก็ขอให้พวกเราพยายามคิดถึงภารกิจ น, นี้ให้ความสำคัญแก่ภารกิจ น, นี้ยิ่ง ก, กว่าภารกิจต่างๆในโลกนี้เพราะภารกิจต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้ มีภารกิจของพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่จะทำได้การแสดงก็เห็นว่าสมกวรใจเวลาก็ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ เ, เดี๋ยวจะให้พรก่อนเพราะบางท่านอยากจะเดินทางไปต่อ หลังจากให้พอแนละ้วเดี๋ยวใครต้องการจะสนทนาธรรมคุยถามปัญหาก็ทำได้ต่ อ, อยะถ า, าวาริกวะหาปุราปาริกปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจโตุสัพเภปุเรนตุสังกปา ดันโทปนารโสยามลิโตติรโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันสัพพรโควนสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีตีขายุโกภวาอวานสิลสาิจังวิทาปจายโนยัตโรธรรมวัานติ อายุวันโนสุขังภาลังเชิญหยิบหนังสือไปได้เนะหนังสือซีดีเอาไปแจกกันมีใครจะถามปัญหาอะไรไหม ขาับอาจารยมีอะไรไหมใกลมันอยู่ที่ตัวเราแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านแล้ว อยู่ที่ตัวเราที่จะทำให้มันแจ้งขึ้นมาทำความดับทุกข์ให้แจ้งขึ้นมาแต่ยังไม่แจ้งก็ต้องทุกข์ต่อไปเวลาร้อ ง, ง่ายก็ช่วยไม่ได้น ะ, <c oughs> ะทางอินเทอร์เนต็ตจะถามปัญหาก็ถามมาครับต่อไป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 เป็นคำถามจากคุณอาร์มี่นะครับขาดวิทยะความเพียรควรทำอย่างไรครับก็ต้องเติมมันสิเหมือนเวลาไม่มีน้ำมันเราทำไรแไรง่าคาถามมันง่าจะตายเลยคุณเวลาไม่มีน้ำมันคุณทำอะไรคุณก็ต้องไปเติมน้ำมันไม่ใช่เหรอเวลาคุณไม่มีความเพียรคุณก็ต้องเติมความเพียรนั่นนั่นแหะนีแหมไม่น่าถามเลย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 และบวชแบบที่เป็นนักบวชคือเป็นพระเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถบวชเต็มรูปแบบคือบวชเป็นพระได้เราก็บวชในเพศของคารวาสไปก่อนก็คือให้จัดเวลาให้กับการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานี่เองคือต้องมันรักษาศีลให้บริสุทธิ์ปัจคติก็ต้องรักษาศีลท้าเป็นเป็นปัติเป็นอาจิน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 ได้ก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงอยากจะแก้ปัญหาทางโลกเหมือนกันแต่พระองค์ก็ทรงรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าก็มีการพรยายามอยู่แล้วว่าถ้าพร ะ, พระองค์ทรงอยู่ในทางโลกก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิการเป็นพระมหาจากักรพรรดิก็คือเป็นเป็นวิธีหนึ่งที่จะที่จะแก้ปัญหาทางโลก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 ถ้าเราแก้ปัญหาที่มีอยู่ในตัวเราได้หมดแล้วปัญหาที่เกิดจากภายนอกจะไม่เป็นปัญหากับเราเลยเป็นเหมือนน้ำบนใบบัวจะไม่ซึมซาบเข้าหากันไม่เหมือนน้ำกับใบกระดาษซับกระดาษซึมที่เวลาน้ำหยดลงไปบนกระดาษซับนี่มันจะซึมเข้าไปในกระดาษเลยนี่คือใจของผู้ที่ยังอยากจะแก้ปัญหาทางโลกอยู่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 แต่ใช่ผู้เชืเรื่องระวังรวังที่มีสองอย่างระวังหลับระวังสมัยต้อพัเขาต้งใจผมคือทางเราว้เขาวังสมาธิตรอเหมอนว่าจิตที่มันน่องอยู่แล้วก็ตูรู้รยังคองรักษาอยู่<ล>วิสติสัมปชัญญะอย่งตรู้คองรักษาอยู่รู้สึกตัวตลอดเวลาแต่ถ้าบอกว่เป็นระวงัวงระวังหลับนี่นคือมันเนียถขายเลยไม่รู้เลยต อ, อ, อนนี้มันักษหนังนก็คล้ายๆกับการการจิตมัจะรวมไม่รวมมันหลับ เวลานั่งสัตว์งบนั่งคอพับอย่างเงี้ยแสดงว่าหลับมเมืกว่าวางสมาธินะครับารงลักษณะการปัจังจูจิตก็สก็การวจิตก็คือความรวมของจิตนี่จิตรวมเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เนี่ยเรียกว่าผวาจิตนะครับแวัแยกตัวตัวรูี่อาษาสติตัวสติสต <off Madonna> ิสัมปชัญญะมีอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีก็จะดับไปซึ่งจะมักจะเกิดกับผู้ปฏิบัติใหม่ๆ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 เพราะว่ายังไม่อยากจะสละความสุขทางร่างกายไปนั่นเองอยากจะได้ทั้งสองอย่างอยากจะได้ความสุขทางใจและอยากจะได้ความสุขทางร่างกายก็เลยไม่ยอมถือสินแปดแต่จะนั่งจะนั่งสมาธิกันอย่างนี้ก็จะยากแต่ถ้าถือสินแปดนี่มันก็จะกาจัดความง่วงเหงาหาหนอนไปได้ในระดับหนึ่งยิ่งถ้าอดอาหารได้หรือรับประทานมื้อเดียวก็จะกาจัดไปได้อีก แล้วถ้ากําจัดรับประทานมื้อเดียวยังง่วงอีกก็ต้องอดอาหารอยู่อันนี้ก็จะทําให้เรื่องความนั่งหลับในสมาธินี้นหายไปได้หรือไม่ฉะนั้นก็ต้องไปอยู่ในที่น่ากลัวถ้าอยู่ในที่น่ากลัวแล้วมันจะไม่หลับมันจะตื่นมันจะหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาก็ต้องหาอุบายต่างๆเหล่านี้มาช่วยในการภาวนาเพราะว่าโดยลำทางถ้าเราจะ อยู่อย่างมั่งอยู่อย่างสุขอย่างสบายทางร่างกายแล้วจะไปเ อ, เอาความสุขทางจิตใจด้วยเนี่มันจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับมันมันแย่งกันถ้าสุขกายมันก็จะไม่สุขใจถ้าสุขใจมันก็จะไม่สุขกายยันเราต้องเลือกกันว่าเราจะเอาสุขทางร่างกายแล้วสุขทางใจถ้เอาสุขทางร่างกายก็ ไปเที่ยวไปกินไปนอนไปดื่มไปเล่นไปรับประทานกันให้เต็มที่ถ้าอยากจะสุขทางใจก็ต้องตัดความสุขทางร่างกายไปให้หมดจะเอาทั้งพี่เอาทั้งน้องไม่ได <c oughs> ้คนบางคนเขาเก่งเขาได้ <c oughs> ได้ทั้งพี่ได้ทั้งน้อง ก็มีของดีเล่าใจอย่างพระราชาหมากษัตริย์เนี่ยท่านต้องการกี่คนท่านก็เอาได้ถ้าท่านมีบารมีใ้แสนิยธรรมยายามที่จะเอดูอารมณ์นะที่โดยเฉพาอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจเหมือนกันแล้วแต่เาเอาสติเนี่ยไปให้จับเพื่อให้ไม่ให้เกิดอากาการหลงแต่ง จขาจับตรงกลารงนู้นวีการตุ่มแต่งเพื่อให้นารมันไม่เกิดมันไม่อยุดหรอกถ้าถ้าเราไม่เห็นนิจังทุกขังอนัตตาอย่าไปดูอารมณ์เลยเสียเวลาไปไปดูไปดูปลายไม่ไปดูต้นอารมณ์นี่มันเป็นปลายมันเป็นผลที่เกิดจากการไม่เห็นไตรลักษณ์มันเลยเกิดอารมณ์ถ้าไม่อยากให้เกิดอารมณ์ก็ดูที่ไตรลักษณ์ดูที่อสุภะแล้วมันไม่มีอารมณ์ถ้าอารมณ์เกิดแล้วหยุดมันยาก เวลาอยากได้แล้วนี้ต่อให้ช่างมาฉุดก็ไม่อยู่อธิบายไหมงั้นเราสลงประเด็นกันมาไปดูผิดที่กันคนที่บอกดูจิตดูอารมณ์นี่ดูประจนวันตายก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะจะไม่สามารถกําจัดอารมณ์ได้มันก็จะหม อ, อกมาเรื่อยๆได้อย่างมากก็แค่เบรคมันเบรคมันปั๊บนึ่งแล้วเดียวพอพอปล่อยเบรคมันก็กลับมาอีกองั้นจะอยากจะกําจัดอารมณ์นี้ต้องดูไตรักต้องพิจารณาใจรัก อะไรที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ก็ต้องดูให้เห็นว่าไอ้นั้นมันเป็นอันนี้จางทูกลังหน้าตารือเป็นอสุภะมันสวยวันนี้แต่พรุ่งนี้มันจะไม่สวยมันดีวันนี้พรุ่งนี้มันจะไม่ดีเช่นเห็นรถคันใหม่ออกมาจากโชว์รูมใหม่ๆเองเห็นว่ามันต้องเก่ามันต้องพังพอดีเลยนะพอดีเลยนะเอ๊ะมันด้รู่ลอยไย ไม่รู้เรื่องจริงๆไะไม่รู้ม huh ันโผลกมาได้ไงสุ Homer ้องใจส ที่ที่ทต่างกคเนติเสร็จแล้วเนี่ยก็พิจารณาในแง่ของใจรักไปเลยสติปัญญาเน่ไปด้วยกันมองอะไรก็ต้องแหงว่าเป็นายรักนะมันจะไม่อยากได้ mm hmm. เห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมีรถแล้วก็ต้องมาซื้อประกันมาซื้อน้ำมัน <c oughs> มาหาที่จอดว่าคอยล้างรถ <c oughs> อะไรเดี๋ยวนี้ <c oughs> บางแห่งนี่ที่จอดแพง ก, กว่ารถถึง ที่สารฝันเมื่อนี้เมื่อก่อนนี้มีข่าวว่าที่จอดรถที่หนึ่งมันเป็นราคาเป็นล้านเนี่ยไม่เห็นความทุกข์กันมองแต่ส่วนที่เป็นความสุขกันมันก็เลยเกิดอารมณ์อยากได้ขึ้นมาถ้าเห็นส่วนที่เป็นความทุกข์แล้วมันก็จะไม่อยากได้ นะฉะนั้นอย่าไปดูอารมณ์เส <laughs> like ียเวลานะให้ดูวัตถุที่เราอยากได้ดูว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็มันผิดประเพณีไม่ใช่เลยประเพณีของการที่เราจะมี เพศสัมพันธ์นี้ต้องเกิดจากการที่ไปสู่ขอเป็นคู่กันเป็นสามีเป็นภรรยากันถึงจะเรียกว่าถูกประเพณีแต่ถ้าไปอยู่ในสังคมที่เขาถือว่าการซื้อบริการทางเพศเป็นการถูกประเพณีมันก็ไม่ผิดถึงก็สามเช่นในสังศาสนาอื่นที่เขาานุญาตให้มีสมมีภรรยาได้สี่คนอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าผิดประเพณี การที่เราต้องรักษาประเพณีเพราะว่าถ้าเราทำผิดประเพณีเราก็จะอยู่กับสังคมนั้นไม่ได้นั่นเองหร้อจะอยู่อย่างไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะาไม่ทำผิดศีลข้อสามก็คือมีการสู่ขอกันอยู่กันเป็นสามีมเป็นภรรยามันก็ยังเป็นความทุกข์อยู่นั่นแหละ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 เป็นสิ่งที่จะช่วยยับยัง้งการสูญเสียของชีวิตต่อได้ถ้าเราทาถูกต้องตามประเพณีก็เคยมีภรรยามีสามีมีผัวเดียวเมียเดียวอย่างนี้แล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันเรื่องการที่จะมีโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะอยู่กันไปได้จนแก่ตาย แต่ถ้าเราไปซ้าซ้อนไปเที่ยวไปซื้อบริการต่างๆเราไม่รู้ว่าเราจะไปรับเชื้อจากไทยมามากเมื่อไหร่รับมาแล้วความสุขที่ได้จากการไปร่วมเพศกันนี่ก็จะหายไปสิ่งที่ได้กลับมาก็จะเป็นกองทุกข์อันใหญ่โตโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าจะต้องตายไปมีคนเคยมีปัญหาอย่างนี้มา ไปร่วมเพศไปเซฟบริการมาแล้วก็มาตกใจกลัวว่าติดเชื้อเอชอวีมาแล้วกับหรือเปล่าตอนไปตรวจเลือดก็ยังยังตอนที่ยังไม่ฟังผลนี่ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมาหาเรากี่ร้อยครั้งก็อยากจะถามว่าติดหรือไม่ติด <c oughs> <c oughs> เราบอกว่าเราไม่รู้เราไม่ใช่เป็นหมอ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่เราสอนอย่างเดียวก็คือต้องทำใจ <c oughs> ติดก็ต้องติดตายก็ต้องตาย <c oughs> อุตสาห์ไปทำบุญไยจากเป็นเงินเป็นล้านเพื่อจะให้ช่วยแต่ก็โชคดีผลออกมาก็ไม่ติดโอ้โหดีใจใหญ่มันเหมือนเหมือ น, นพ้นจากนรกแต่ก่อนจะพ้นนี่โอ้ทำบุญอย่างเต็มที่เลยนี่แหละผลที่จะเกิดตามมาถ้าเราไม่รักษาศิลข้อสามนี่ความทุกข์มันจะตามมา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 อันนี้ก็จะต้องแยกทางกันตอนแยกทางกันแล้วความสุขที่ได้ในวันแต่งงานนี่ก็หายไปเลยเหลือแต่ความทุกข์เป็นเหมือนภูเขาทับอยู่บนหัวใจยันถ้าไม่อยากจะเจอกับเรื่องราวเหล่านี้ก็อยู่เป็นสนดีกว่าพยายามพิจารณ า, าสุภะอยู่เรื่อยๆบริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ทำใจให้สงบ พิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกายนึกถึงตอนที่มันขึ้นเอืิดขึ้นเพาะเอขึ้นเอิดพองขึ้นมาเน่าขึ้นมาบ้างอย่างในสมัยพระพุทธกาลที่พระเจ้าทรงให้พระไปพิจารณาน<ม>างสโสเพณีที่ตายไปที่มีมีชื่อเสียงว่ามีความสวยงามมากแต่ไปดูตอนที่เป็นซากศพที่ขึ้นเอืิดขึ้นมาแล้วนี่มันทําให้เห็นความจริงอีกด้านหนึ่ง ทำให้รู้ว่าอ่อนี่คือร่างกายที่สวยงามที่จะต้องเป็นอย่างนี้ในเวลาต่อม า, าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะหยุดเรื่องของการมาลงได้อยู่คนเดียวได้อย่างสบายดายการพระบุณเจ้าเรื่องให้พระคุณเจ้าช่วยมองนาคต ของการปฏิบัติธรรมของคนไทยที่เรียกว่าเป็นพุทธศาสนาอิจฉาชมกับข่าวคราวที่มันอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพที่มันไม่ค่อยตรงตรงไปก็คุเจ้ามองการปฏิบัติธรรมของคนไทยที่บอกว่าเป็นชาวพุกอย่างก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามเวลาอังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปยากรไว้ว่าพวกพุทธศาสนานี้ ก็จะมีอายุไม่เกินห้าพันปีนี่เราก็มาครึ่งหนึ่งของของของยุค ข, ของพระพุทธศาสนาแล้วการปฏิบัติก็จะ<ม>น้อยลงไปเรื่อยๆจากเคยจากเคยที่มีการปฏิบัติถึงแก่นก็จะหายไปสมัยก่อนสมัยพระพุทธกาลนี่มีการบรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากนับเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วพอเวลาผ่านไป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 เห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิกันไปอย่างที่เป็นกันอยู่ในสมัยนี้แล้วที่เห็นว่านิพพานสูญที่ว่าเมื่อบรรลุถึงพระนิพพานแล้วทุกอย่างหายไปหมดตัวเองก็สูญผู้ปฏิบัติก็สูญอันนี้มันเป็นความเห็นผิดแล้วไม่ใช่เป็นความจริงจิตมันไม่มีวันสูญจิตเป็นผู้ปฏิบัติจิตเป็นผู้ยกระดับจิตของตนเองจากปุตุชนเข้าสู่จิตของ พระ อ, อริยเจ้าเข้าสู่จิตของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตของพออาาระอรหันต์จะไปสูญได้อย่างไรสิ่งที่สูญก็คือกิเลตตัณหาความทุกข์ต่างๆความอยากต่างๆอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนั้นท่นั้นเองแต่ ใ, ใจที่สัจธรรมรู้นี้ไม่มีวันสูญไม่มีวันหมดถ้าหมดแล้วจะมีปรมังสุ ข, ขังได้อย่างไรอันนี้ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่มีวันรู้ได้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 แม้แต่เสียงที่เราได้ยินได้ฟังทางวิทยุเช่นเสียงโคลกนี่เราก็จะนึกภาพของเขาว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอไปเห็นตัวจริงมันไม่ได้เป็นอย่างเชวนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีการปฏิบัติแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบพวกตาบอดคลาช้างกันแล้วก็มานักถกเถียงกันว่านิพพานศูนหรือไม่ศูนจิตยังมีอยู่หรือไม่อยู่มีไม่อยู่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 น่าจะมีโอกาสจเจริญได้ดีกว่าไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่เขาจเจริญทางวัตถุเพราะถ้าเขาจเจริญทางวัตถุนี้เขาจะยึดติดกับวัตถุเขาจะไม่กล้เาเขาจะไม่สามารถที่จะปล่อยวางความจเจริญทางวัตถุได้เพราะวัตถุจะเป็นที่พึ่งของเขาเขาจะยึดวัตถุเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเขาเพอต้องสอนให้เขามาอยู่แบบอดๆ อ, อยากๆอยา่อยางนี้ อยู่ในป่าในเขาเขาจะทําไม่ได้แต่ถ้าไปสอนให้กับชาวป่าชาวเขาเนี่ยเขาอยู่กับความอวดอยากขาดแกนแล้วก็จะง่ายกว่าในความรู้สึกของอาตมาไม่คิดว่าอย่างนั้นคุณเามันไม่คิดตรงกันข้ามกันนะครับคนที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างทางกายพร้อมแล้วในด้านจิตใจเขาก็จะแสวงความสุขแล้วนิด มีเศรษฐีมาบ อ, อกบวชกันมบ้างก็เปล่าเนี่ยฮะมีมหาเศรษฐีมีมาพระราชามาหากษัตริย์มาบวชเป็นท่ากันบ้างก็เปล่าใช่ไหมไม่มีหรอกยากแต่คนที่มาบวชกันส่วนใหญ่จะเป็นลูกชาวนาชาวไร่ลูกของคนยากคนจนดูประวัติครูบาด้านต่างๆะท่านเป็นลูกชาวนาชาวไร่คนยากคนจน การไม่มีทรัพย์สมบัตินี่มันทําให้บวชง่ายอย่างอาตมานี่ไม่มีสักบาทเดียวเวลามาบวชไม่มีสมบัติอะไรเลยอก็เลยบวชง่ายถ้าเกิดมีกิจการมีเงินเป็นล้านนี่ไม่รู้จะจะบวชได้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นยากการเจริญทางวัตถุนันก็บอกแล้วว่าจิตใจมันมุ่งไปทางนั้นแล้วมันไม่ได้มุ่งไปสู่ความสงบแล้ว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 ให้ตายไปทันทีทันใดก็ยอมดูความจริงแต่อย่าไปดูทางทฤษฎีทางทฤษฎีมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะว่าเออเรามีเรามิดร่ำเรารวยแล้วเรามีเงินทองเราต้องการอะไรเราซื้อได้หมดแล้วเรามันไม่เห็นสุขทั้ทีเราน่าจะออกบวชกันได้แล้วไปหาความสงบกันมันก็เห็นอยากจะไปเหมือนกัน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 ก็ต้องมีอาศัยบารมีอาศัยบุญเก่ามานั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมได้อย่างเนี้ถ้าอย่างเนี้ไปได้อย่างพระพุทธเจ้าก็นั่งเฉยๆก็จิตก็รวมได้อยู่ตามลําพังพระองค์เดียวไม่มีใครมาวุ่นวายรอบรอบตัวพระองค์ปล่อยให้พระองค์อยู่ตามลาพังปั๊บจิตมันก็รวมถ้าคนจิตรวมตั้งแต่ก่อนตอนที่ยังเป็นคาราวาสอยู่นี่จะ ออกบวชกันทั้งนั้นเพราะเขาเห็นความความสุขที่แท้จริงแล้วว่ามันไม่ได้อยู่ที่วัตถุเข้าของเงินทองต่างๆแต่มันอยู่ที่ความสงบของใจนี้เองเพียงแต่ว่ามันยังไม่สงบถาวรมันสงบเพียงเป็นเหมือนหนังตัวอย่างให้เห็นว่าโอ้หนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างนี้นะก็จะทาให้มีแรงดึงดูดที่อยากจะไปดูหนังจริงก็เลยจะออกบวชกันเพราะรู้ว่า การที่จะทำใจให้สงบนี้ต้องอยู่ตามลำพังเท่านั้นต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นลดผลพัทธ์ต่างๆจึงต้องไปอยู่ในป่านในเขากันเพราะเป็นที่สงบสงบับวิเว้ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสที่มาคอยยั่วยวนกวนใจทำให้ใจไม่สงบนั่นเองดังนั้นก็ต้องพยายามปฏิบัติให้พบกับความสงบนี้ให้ได้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 ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของอนาคตของผู้อื่นหรอกโยมกังวลกับอนาคตของเราดีกว่าว่าเราจะเอาตัวรอดหรือเปล่าเพราะว่าคนอื่นไม่มีใครจะมาทําให้เรารอดได้เราต้องทําตัวเราเองให้รอดได้เพราะพุทธศาสนาจะมีอยู่ต่อไปหรือไม่มันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับกับเราเลยมันสิ่งที่เกี่ยวกับเราก็คือการปฏิบัติของเราว่าเราสามารถปฏิบัติ ทำตัวเราให้หึุดท้นจากความทุกข์ได้หรือเปล่าถ้าเรายังขาดอะไรก็ควรจะเติมถ้าขาดศรัทธาก็เติมศรัทธาถ้าขาดความเพียรก็เติมความเพียรถ้าขาดสติก็เติมสติถ้าขาดสมาธิก็เติมสมาธิถ้าขาดปัญญาก็เติมปัญญาอันนี้แหละคือน้ามันของใจที่จะผลักดันให้จิตใจไปถึงมรรคผลนิพพานได้ก็คือศรัทธาสติ ศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญานี้เองตอนนี้เรามีแต่เป็นอยู่ในระดับต่ําที่เรียกว่าอินซีอินซีห้าเราต้องอปลูกฝังหรือเสริมสร้างมันขึ้นมาให้กลายเป็นพลังขึ้นมาให้ได้เรียกว่าพละห้าจากอินซีจากอินซีห้ามาให้กลายเป็นพละหตอนนี้เราก็มีศรัทธาเราก็เข้าหาพระ เราก็มีศรัทธานในการปฏิบัติเราก็ทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนากันเพียงแต่ว่าความเพียรของเรามันน้อยความเพียรของเราอยู่ในระดับมือสมัครเล่นทําบางเวลาบางเวลาก็ไม่ทําเราต้องทําให้มันตลอดเวลาให้มันเป็นมืออาชีพไปความเพียรจะต้องเพียรแบบมืออชีพถ้าเพียรแบบมื อ, อชีพสติก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดตามมา ทั้งหมดก็อยู่ที่ศรัทธาแล้วก็อยู่ที่ความเพียรเป็นดับมีศรัทธาแล้วก็ต้องเพียรถ้ายังเพียรน้อยก็ต้องเติมความเพียรให้มากคือเติมไม่เต็มถังเลยเหมือนเวลาเราไปเติมน้ำมันนี่เราไม่เติมครึ่งถังเติมมันให้เป็นเต็มถังเลยมันจะได้เดินทางไปได้ไกลไม่ต้องหยุดบ่อยๆอาแล้ว น, นะคิดว่า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 เอาไว้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้ใส่ซองแล้วเขียนว่าทำซีดีทรมะพร้เขาแล้รกันเขียนว่าเ ข, ขียนเขียนไว้แล้วนะเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปให้คนที่เขาทำอ่า